สมัยพุทธกาลมีพรามคนหนึ่งนะโกรธพระพุทธเจ้ามากนะไม่ทราบด้วยสาเหตุใดพอเห็นพระพุทธเจ้าก็รี่เข้าไปเลยนะแล้วก็ดา่ดาดา่ดาดา่าด่าส่วนพระพุทธ อ, องค์นะก็นิ่งสงบไม่ได้ตอบโต้ะอะไรจนกระทั่งเขาดา่าไม่รู้จะด่าอะไรละ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 พระรามก็ตอบว่าก็เป็นของข้าพเจ้าสิพ่นะพุทธเจ้าก็เลยพูดต่อไปว่าเนี่ยคำด่าว่าของท่านนะหากว่าเราไม่รับนะคำดา่านั่นจะเป็นของใครพอถึงตรงนี้นี่พรามก็อึ้งเลยนะสิ่งที่พระรา์พูดไปนะไม่ว่าจะดอาบริภาอย่างไรเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยเพราะว่า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 มะพร้าวลูกนั้นเนี่ยมุ่งมาที่เราเราควรทําอย่างไรเนีเราควรหลบหรือว่าเอาตัวรับเอาหน้ารับเนี่ยสามารถสํานึกนะมันก็บอกเราว่าเราก็ควรจะหลบนีถ้าเราเอาตัวรับเอาหน้ารับเราก็เจ็บสิแต่ทําไมนะเวลามีคนอ่าด่าเราผลุสวาทเนี่ยที่พุ่งมาใส่เราเนี่ย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 เอาตัวไปรับนะลูปมะพร้าวนะเต็มเปาเลยอันนี้เรียกว่าไปรับเอาคําด่าของพราหมณ์ก็ไปละนะผู้จาเนี่ยพระองค์ก็แสดงให้เราเห็นนะว่าใครก็ด่าเราอย่างไรนะถ้าเราไม่รับคําด่าขเขาเนี่ยคําด่านั้นจะตกไปของใครก็ตกเป็นของผู้ด่ามันเหมือนกับถมน้ํำลายนะตั้งใจจะลดฟ้าเนี่ย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 อาจารย์ชาเนะี่ยท่านแนะนําไว้ดีนะั้นบอกว่าใครด่าเรานะเป็นหมูเป็นหมาเนะีก่อนที่จะโกรธนะก็ลองคลำที่ก้นก่อนนะว่ามีหางงอกมาหรือเปล่านะถ้าไม่มีหางงอกเล้วถ้าไม่มีหางงอกมันก็จะไปด่าเขานะหมายความว่าเขาด่าเรายัางไงมันก็ไจะทําให้เราเป็นอย่างที่เขาดา่าแล้วเราจะโกรธไปทําไม นะเพราะว่าเราเป็นมูนเป็นหมาแต่เราไม่ได้เป็นเราจะทุกข์ไปทําไมนะี่อันนี้ก็เป็นนะเรียกว่าวิธีการปล่อยวางนะพอถ้าปล่อยวางคําด่าแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่โกรธจากครนี้ปัญหาคือส่วนใหญ่ก็เผลอนะไปรับเอาคําด่าก็ไปแล้วลิงมันควางรูมาพราวมาก็เผลอเอาหน้าไปรับเผลอเอาตัวรับเจ็บนะเอาตัวกูไปรับคําด่าก็เป็ไง ก็โกรธเลนะคราวนี้โกรธแล้วจะทํำยังไงนะก็ต้องหาทางบรรเทาความโกรธนะนะอ่าเพราะถ้าเราไม่บรรเทาความโกรธนะเดี๋ยวเราก็ไปต่อรอดต่อเถียงกับเขานะมันก็เกิดปัญหาตามมาปุเจ้าก็แนะนํำนะว่าเวลาเราโกรธนี่นะวิธีบรรเทาความโกรธหรือระงรับความโกรธคือว่าข้อแรกเนี่ยเป็นนึกถึงเรื่องอื่นอนะ่นะ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 ความกลัวมันก็จะเบาบางลงเหนะมือนกับว่าไฟเนี่ยพอมันไม่มีไม่มีเชื้อไม่มีฟืนมันก็ค่อยๆมอดไปสนใจสิ่งอื่นแทนเอาใจมาอยู่กับลมหายใจก็ได้โกรธนะกาลังโกรธนะลองเอาใจมาอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆจะนับหนึ่งไปเดียวก็ได้นับหนึ่งสองสามเนี่ยการทําอย่างเงี้ยมันช่วยทําให้เราลืมความโกรธไปได้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 เป็นมีอาการเกรงโน่นเกรงนี่บางก็ปวดท้องบางก็ปวดหัววันนี้พวดนี้เป็นพวที่โกรธเรือหลังงั้นถ้าเราเห็นโทษความโกรธนะมันก็ทำให้เราเนี่ยนะปล่อยวางความโกรธนะลองนึกเสียว่าโอหเนี่ยเ ร, เราถูกด่าแล้วนะแล้วยังปล่อยใจให้ร้อนรุ่มเพราะความโกรธเนี่ยอันนี้เรียกว่าขาดทุนนะอันนี้เราทาร้ายตัวเองอ่ะ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 ยังไม่ทันจะมีคนคอมเมนต์ว่าเลยแค่เขาไม่กดไลน์นี่ก็ทุกข์แล้วต้องไปอบอกเพื่อนๆนส่งข้อความไปทาง like, ไลน์มาช่วยกดไลน์ให้หน่อยเนี่ยบางคนนี่พอที่แรกมีคนกดไลน์เยอะแต่ต่อหลังคนกดไลน์น้อยก็เกิดความกังวลขึ้นม า, าเอ๊ะเขาไม่กดไลน์เพราะอะไรเพราะเขาไม่ชอบเราหรือรเปล่าเราพูดอะไรไม่ถูกหัวเขาไหมเราเขียนอะไรไม่ถูกใจเขาหรือเปล่าเนี่ยอร้อลุ่มขึ้นมาเลย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 พอเรายอมรับแล้วเนี่ยนะมันก็ปล่อยวางขึ้นได้เองนะอย่างที่พูดมาว่านนางกีสาวกตมีพอพอรู้ว่าคนหนึ่งเขาก็ตายเหมือนกันคนหนึ่งก็พัดพากสูญเสียเหมือนกันไม่ใช่มีเราคนเดียวเท่านได้สูญเสียลูกคนหนึ่งเขาก็สูญเสียลูกนางก็เรลยยอมรับได้ว่าลูกตายแล้วนะไม่ต้องรอปลุกรอให้ใครมาปลูกให้ฟื้นพอรู้ว่าลูกตายแล้วนางก็ยอมปล่อยวางลูกนะ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 แต่ว่าเขาเป็นคนที่นิสัยดีการกระทำดีมีความเอื้อเฟื้อเราก็ไปสนใจจดจ่อตรงนั้นแทนเนะี่ยมันมีนะบางคนปากร้ายมากเลยดา่าด่าแบบเจ็บแสแต่ว่าการกระทำหรือพฤติกรรมเขาดีอะนะเราก็ไปจดจ่อใส่ใจกับพฤติกรรมที่ดีของเขาแทนอ่แล้วคนที่การกระทำก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีล่ะนะก็ อ, อาจจะก็ออ จ, จะมี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 ไม่ต้องรอให้เขามาไม่ต้องรอคนทำร้ายนี่มาขอโทษหรือว่าถูกจับรับโทษทันซะ ก, ก่อนทำยังไงเราจึงจะเยียวยารักษาใจของเราได้เวลามีความเจ็บปวดถูกทำร้าย<ม>ก็ด้วยการให้อภัยเนี่ยนะเรายอมไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวแต่ทำไมเราไม่ยอมเนยเยียวยารักษาใจด้วยการให้อภัย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 คงยากนะเพราะมันเผื่อรับไปแล้วแต่ว่าพอรับไปแล้วโกรธขึ้นมาเนี่ยเ้วก็หาทางระงับความโกรธนะด้วยวิธีการอย่างที่ว่ามามันจะช่วยเรานะช่วยให้ใจเรานะเป็นสุขได้เพราะคนเราเนี่ยมันต้องเจอกัเรื่องพวก น, นี้ไม่ว่าในที่ทำงานที่บ้านแล้วสมัยนี้มันมีโซเชียลมีเดียเนะมันก็จะมีถ้อยคำทำนองเนี่ยนะมาสู่การรับรู้ของเรานะ